วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่มีข่าวมาฝากท่านอยู่สองข่าวด้วยกันสองเรื่องด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งเรื่องและเป็นเรื่องที่ไม่ดีอีกหนึ่งเรื่อง ฉันจะขอบอกเรื่องไม่ดีข่าวไม่ดีให้ท่านฟังก่อนซึ่งท่านก็อาจจะรู้กันแล้วก็ได้ข่าวที่ไม่ดีก็คือพวกเราเมื่อก็มาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนเวลามีข่าวคนไหนเจ็บคนไหนตายนี่กลายเป็นเรื่องเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเป็นข่าวไม่ดีอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ที่มาเกิดในโลกนี้แล้วจะใหญ่จะโตจะเล็กจะน้อยจะรวยจะจนนี้มีเรื่องเหมือนกันทุกคนคือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกันอันนี้ไม่มีใครปรารถนาแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะ หนีจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้อันนี้เราถือว่าเป็นข่าวร้ายข่าวไม่ดีกันส่วนข่าวที่ดีที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็คือข่าวที่ไม่ดีนี้จะทำให้ข่าวที่ข่าวที่ดีนี้จะทาให้ข่าวที่ไม่ดีกลายเป็นข่าวที่ดีไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชคมหาศารเป็นสิ่งที่ดีที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้นานานจะมีโอกาสได้ทั้งสองสิ่งนี้พร้อมๆกันคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนา จะเป็นผู้ที่สอนให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนั่นเอง mm hmm. แล้วการที่เราได้มาเกิดถึงแม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่การได้กันมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ถือว่าเป็นโชคมากกว่าเ ป, เป็นโทษ mm hmm. เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษเพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์นี้โอกาสที่จะได้ศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ย่อมเป็นไปได้ยากมากสมมติว่าถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นแมวเป็นสุนัข เ, เป็นกระลอกเป็นกาแต่เราก็จะไม่สามารถที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราถือว่ามีโชควาสนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์และสามารถที่จะติดต่อสั่งสอนกับมนุษย์ได้โดยตรงถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงฝากคําสอนอันประเสริฐทิ้งไว้ให้กับพวกเราพร้อมกับพระอริยสงสารพวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายแล้วมาเป็นผู้คอยสอนวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปอันนี้ก็เลยถือว่าถึงแม้ว่าการเกิดนี้จะเป็นข่าวร้ายคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ ก็จะกลายเป็นข่าวดีเป็นโชคดีเป็นวาสนาที่ดีเหมือนกับการได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งเป็นของยากมากใครๆก็รู้ว่าการที่จะซื้อรอตรี่แล้วถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นไม่ได้เป็นของที่ง่ายไดฉันใดการนับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละั้งก็ไม่ได้เป็นของง่าย การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ง่ายกว่าเยอะเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาเวลาเขาออกลูกทีเขาออกเป็นคอกเป็นผงการได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันง่ายการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มนุษย์ออกลูกได้ทีละครั้งทีละคนเป็นเป็นส่วนใหญ่และบางมนุษย์ก็ไม่มีลูกเลยก็มี นันการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นของที่ยากแล้วการเกิดของพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นของที่ยากมากไม่ใช่ว่าทุกภพทุกชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์จะพบกับพระพุทธศาสนาเสมอไปเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้เกิดมาแต่ละครั้งนี้ก็จะตั้งอยู่ในโลกนี้ได้ไปชั่วระยะหนึ่ง เช่นศาสนาพุทธของพวกเรานี้พระพุทธเจ้าก็ส่งปยากรไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีด้วยกันตอนนี้เราก็ผ่านมาประมครึ่งหนึ่งแล้ว 2,565 ปีถ้าถ้าเรากลับมาเกิดครั้งหน้าถ้าพ้นจาก 5,000 ปีไปแล้วเราก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องของการเ ย, ยนไหวตายเกิด ว่าเป็นไปเป็นมาได้อย่างไรและจะไม่รู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะทำกันได้อย่างไรก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาเกิดแล้วมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าที่พวกเราเรอคอยกันคือองค์ต่อไปที่เราเรียกว่าพระสีอานหรือพระสีอเริยเมตไตร อันนี้เป็นคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าอีกหลายกับหลายกันไม่ใช่เป็นพันปีแต่เป็นแสนล้านปีจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดในโลกนี้แล้วก็จะมาสอนสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของพวกเราสอนกันในขณะนี้สอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน นั้นนานจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็จังหวะที่เราจะได้มาเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้ามาเกิดนี้ก็ไม่ไม่ใช่เป็นของงา่ายลองคิดดูเปรียบเทียมให้ฟังถ้าเราขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงแยกหนึ่งแล้วเราเจอรถซ้ายขว า, าวันพุ่งนี้เรากลับมาจอดที่เดิมเวลาเดิมโอกาสที่เราจะเจอรถ สอคันนั้นคงจะเป็นของยากทันใดการที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นของที่ง่ายจึงถือว่าเป็นเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการได้ซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลแต่ไม่แน่บางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกก็ได้เช่นมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือมาเกิดในที่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนเช่นในในโลกนี้มมีบางทวีบบางประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเข้าถึง ก็เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่เกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึง่งการซื้อลอตเตอรี่แล้วการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็หมายถึงว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้การได้มาเกิดเป็นได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่แหละพวกเราจรึงถือว่ามีข่าวดีได้ข่าวดี ข่าวดีก็คือพวกเราทุกคนตอนนี้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแล้วแล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะต้องทําอะไรต่อไปเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันถ้าเราไม่เอาไปขึ้นรางวัลเราก็ไม่ได้รางวัลถึงแม้จะมีลอตเตอรี่เก็บไว้ที่บ้านมันก็ไม่เป็นรางวัลขึ้นมาเราต้องเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นรางวัลที่ที่เขารับรางวัลกัน เช่นเดียวกับรางวัลทางพระพุทธศาสนาคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนนี้เป็นรางวัลที่รอให้พวกเราไปขึ้นกันพวกเรามีสิทธิ์ไปขึ้นรางวัลนี้แล้วและวิธีที่จะขึ้นรางวัลนี้ก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเรา ถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะตามมาอย่างแน่นอนคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดจากการจากสังสังสารวัฏนี้แล้วก็มีคนได้ไปขึ้นลังวัลมาตั้งแต่ยุคที่พทธเจ้าประกาศสอนพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมา พระพุทธเจ้าเป็นคนรับเป็นผู้ให้ตรวจสละแล้วก็เป็นผู้ให้รางวัลกับผู้ที่ถูกอกเตรีในยุคแรกๆนี้มีคนสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายมีพระพุทธมีพระสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป มารวมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันครั้งหนึ่งในวันมาฆบูชาอันนี้เป็นการยืนยันว่านี่แหละคือผู้ที่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งของทางพระพุทธศาสนากัาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมฆะเหมือนกับสลากของรัฐบาลนี้ถ้าถูกรางวัลแล้วขึ้นรางวัลจะต้องได้รางวัลอย่างแน่นอนไม่มีการปฏิเสธว่าไม่มีเงินจ่าย อันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเรานี้ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือไปขึ้นรางวัลไปขึ้นรางวัลจากพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาเกิดแล้วนำคำสอนมาเผยแผ่สั่งสอนนี้จำสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีกี่พระองค์ที่เกิดที่มามาตัดสัลุและมาสอนโลกในอดีตหรือองค์ที่จะมาต่อไปนี้สอนเหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่มีความแตกต่างกันทำสอนนั้นเดียวกันเป็นเหมือนยาชนิดเดียวกัน ที่จะมารักษาโรคภัยที่เป็นชนิดเดียวกันฉะนั้นเราไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องไปรอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถึงจะสามารถทําให้พวกเรานี้ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาเพราะในปัจจุบันนี้เราสามารถขึ้นรางวัลได้จากการศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ ในพระไตยปิดกพระไตปิฎกนี้เป็นที่บันทึกคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ถึง45ปีด้วยกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็เริ่มเผยแผ่ธรรมะเริ่มสั่งสอนธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยมและผู้ที่สนใจทั้งหลายทรงแสดงธรรมทุกวันเลยวันละสามรอบสี่รอบด้วยกัน ตอนบ่ายก็สอนศรัทธายาโยมตอนข้ามก็สอนภิกษุภิกษุณีตอนดึกก็สอนพวกเทวดาแล้วตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบายก็ส่งเร็งยานดูว่าจะควรไปสงเคราะห์ใครเป็นกรณีพิเศษนี่คือภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทุกวัน อย่างต่อเ น, นื่องตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันคำสั่งสอนเหล่านี้ได้มีการจดจำเอาไว้จากพระภิกษุสาวกทั้งหลายที่มาบวชมาศึกษาแล้วก็มาจดมาจำกันแล้วต่อมาก็ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือขึ้นมาคือพระไตรปิฎกนี่นี่คือแหล่งคำสอนที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปศึกษาคำสั่งคำสอนที่ไหนเราก็ไปที่พระไตรปิฎกก็ได้ยิ่งสมัยนี้พระไตรปิฎกนี้มีเก็บไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตนะเรามีมือถือนี่เราสามารถค้นหาได้ต้องการที่จะศึกษาพระสูตรไหนสามารถเขียนใส่ข้อความเข้าไปแล้วพระสูตรนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ศึกษา อันนี้เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือแหล่ ง, แ, ลงแรกที่เราควรจะศึกษาไว้เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานวัดกับคําสั่งคําสอนของผู้ที่มาเผยแผ่สั่งสอนช่วยเหลือพระพุทธเจ้าคือจากพระภิกษุสอ์ซึ่งมีทั้งพระที่ได้บรรลุธรรมและไม่ได้บรรลุธรรมถ้าเราได้ศึกษาพอทราบ โดยหลักเกณฑ์ว่าคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนอะไรไว้เวลาเราไปศึกษากับผู้อื่นเราจะได้มีอะไรเปรียบเทียบเพื่อจะได้รู้ว่าคําสอนของบุคคลนี้ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะว่าคําสอนของบุคคลที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าเป็นคู่ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์จะเป็นคําสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึงง่ายๆกว่าคำสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกดังนั้นแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่เราไปศึกษาหรือหนังสือที่เราได้อ่านนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแน่นยํำหรือไม่ถ้าเราไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบดังนั้นก็ควรที่จะหาโอกาสไปศึกษาพระสูตรบางพระสูตรที่สำคัญเช่นพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร อันนี้จะเป็นเป็นพระสูตรอันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนถึงทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือมรรคแปอริยสัจสีอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาใครสอนอะไรถ้าสอนออกนอกูกนอกทางจากมรรคปจากอริยสัจสีีก็จะรู้ว่าเป็นการเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเราไม่รู้ว่ามรรคแปเป็นอะไรเวลาเราไปศึกษากับภาพรูปใดรูปหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถ้าเขาอาจจะสอนเรื่องอื่นเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นถูกต้องหรือไม่เงั้นการศึกษาเราก็ต้องรู้จักแยกแยะแยกแยะแหล่งของการศึกษาว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งศึกษาที่เราให้ความเชื่อถือได้ และหลังไหนที่เป็นหลังที่เราะยังอาจจะเชื่อถือไม่ได้นี่คือท่านตอนแรกของการขึ้นรางวัลเราต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ ปฏิบัติตามคำสอนนะั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนนะี่เหมือนกันหมดมีสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันหัวข้อที่หนึ่งก็คือให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงบาปกรรมนี้ห้ามทาโดยเด็ดขาดเพราะว่าทําแล้วจะฉุดให้จิตของเราลงต่งไม่ได้พาให้เราขึ้นสูงไม่ได้พาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่จะพาให้เราติดอยู่ในคุกของการเวียนว่าตายเกิด น, นี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานเป็นภพชาติที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเรียกว่าทุกขติทุกขตินี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เรียกว่าอบายสี่คือเดลฉานเบรดอสุรกายและนรกนี่คือสภาพสถานภาพของจิตใจของผู้กระทำบาปที่จะต้อง ไปรับผลบาปท่านแสดงไว้ว่าถ้าทําบาปด้วยความหลง mm hmm. ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอไม่รู้เรื่องผิดเรื่องบุญเรื่องเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษนั่นเองสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้บาปรือบุญว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนเขาเวลาเขาหิวเขาอยากจะกินอะไรเห็นของใครเขาไม่สนใจ mm hmm. เขาก็จะคว้ามับมากินทันทีนี่เป็นสาระธรรม สัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานเขาถ้าเป็นมนุษย์แล้วทำบบเดียวกับสัตว์เดราาัจฉานจิตใจของมนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีถ้าทำบาปด้วยกเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเป็นบาปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาชีวิตของตนให้อยู่รอดอันนี้ทำไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการรักษาชีวิตของตน แต่ก็เป็นการไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่จึงถือว่าเป็นการกระทำบาปเพราะว่าการเป็นมนุษย์นี้เราสามารถเลี้ยงชีพได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปมีอาชีพยอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่เราสามารถทำกันได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปก็ได้ันั้นท่านแสดงไว้ว่าผู้ใดถ้าทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ก็จะจิตใจก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นเดรัจฉานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเดรัจฉานทันทีเป็นทั้งร้อยอาจจะเปลี่ยนไปตามปริมาณของการกระทํำบาปถ้าทำมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็จะเป็นเดรัจฉานมากขึ้นมากขึ้นไปพอเวลาตายไปเวลาไปเกิด จะไม่ได้มาเกิดเป็นร่างกายของมนุษย์เพราะจิตใจนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะมารับร่างกายของมนุษย์ได้ก็จะต้องไปรับร่างกายของสัตว์เิี้ยฉลชาชนก่อนไปใช้บาปกรรมที่ได้ทำไว้จนกว่าบาปกรรมนั้นมันหมดลงไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือข้อที่หนึ่งของการกระทาบาปด้วยความหลง ด้วยความไม่รู้ข้อที่สองการกระทาบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากมีมากมากก็เลยถ้าไม่ทําบาปจะไม่ได้เช่นถ้าไม่ช่อกงไม่ขอรับชั่นนี้ก็จะไม่ได้เงินมากๆแต่ถ้าขอรับชั่นก็จะได้มากมากอันนี้ก็จะทาให้ดวงดวงจิตดวงใจนี้กลายเป็นเปรตขึ้ น, นามา ลักษณะของใจของเปรตเป็นอย่างไรก็เป็นใจที่มีความหิวโหวยมีแต่ความโลภความอยากได้ตลอดเวลาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเกิดความโลภใหม่ปรากฏขึ้นมาก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความดิ้นรนปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ อันนี้คือลักษณะของจิตใจของผู้ที่ทาบาปด้วยความโลภพอตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยทุกด้วยความหิวโหวยต้องอาศัยส่วนบุญของผู้อื่นเวลาตายไปเวลาเราอุทิศบุญเนี่ยเราจะอุทิศให้กับพวกนี้พวกที่เขาไม่ได้ทาบุญในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เพราะเขามีแต่ความโลภอยากได้เงินได้ทองเขาจะ ตนีเขาจะหวงเงินของหวงทองเพราะเขาอยากจะมีเงินมากๆเขาก็เลยไม่ยอมทําบุญเขาเลยไม่มีบุญไม่หล่อเลี้ยงจิตใจให้เขามีความอิ่มเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจนั่นเองดังนั้นเวลาที่เขาตายไปนี้เขาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยแล้วก็จะไปขอบุญจากญาติชนิดมิตรสายด้วยการเข้าฝันเป็นต้น เขาฝันว่าเดือนร้อนหิวโหยไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีขอช่วยส่งบุญไปให้เขาหน่อยเนีพวกเราเวลาเราทําบุญเวลาเราอุทิศบุญเราก็อุทิศให้พวกนี้แหละพวกที่เป็นดวงวิญญาณของเปรตแต่คนที่ตายไปทุกคนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเปรตทุกคนอยู่ที่ว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทําบุญหรือเปล่าหรือเขาทําบาปเพียงอย่างเดียว เขาทำบาปด้วยความโลภเพียงอย่างเดียวเขาไม่เคยทำบุญเลยอันนั้นรับรองได้ว่าเขาจะไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเขาเขาก็จะหิวโหวยเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ mm. เช่นญาติสนิทมิตรสหายหรือไปตามสถานที่ที่มีคนทำบุญกันแล้วก็มีการอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็คือผลของผู้ที่ทาบา ด้วยความโลภแล้วก็มีส่วนที่สามคือพวกที่ทาบาลด้วยความกลัวทาบาลด้วยความกลัวกลัวจะถูกทำร้ายก็เลยทำร้ายเขาก่อนเดี๋ยวกลัวจะถูกให้กลัวจะถูกให้เขามาทำอะไรให้เสียหายกับเราแล้วก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนบางทีเราไม่อยากจะให้ยุงมากัดเราเราก็ฆ่ายุงซะก่อน ไม่อยากให้หมดมาสร้างความวุ่นวายลาคัญให้กับเราเราก็เลยข่ามดข้ามลอะไรต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าทาบาปด้วยความกลัววิญญาณก็จะเป็นวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความกลัวไปอยู่ที่ไหนก็วิตกกังวลหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้วันก่อนมีญาิโยมมาถามมาแล่าว่าเขาหวาดกลัวกับเรื่องต้นไม้ เขากลัวต้นไม้เขาคิดว่าในต้นไม้นี้มีมีอะไรเสียงอยู่ถ้าไปอยู่คนเดียวอยู่ใกล้ๆต้นไม้นี้จะมีความหวาดกลัวมากอันนี้ก็เริ่มบ่งถึงแล้วว่าวิญญาณของเขานี้อาจจะเป็นอสูรรกายก็ได้แต่ก็บอกเขาสอนเขาว่าไม่มีอะไรหรอกใช้ปัญญาต้นไม้มันไม่มีวิญญาณมันไม่มีอะไรมันเป็นอุปทานมีความคิดปรุงแต่งของเราขึ้นมาเท่านั้นเอง อั น, นนี้คือดวงวิญญาณของของผู้ที่ตายไปแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเดรลฉ า, านแต่จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความหวาดกลัวหุ่มห่ออยู่ตลอดเวลาจนกว่ า, ากรรมที่ได้ทำไว้มันหมดกําลังลงถึงจะสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ส่วนพวกที่สีน่นี้คือพวกที่ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธแค้น ฟันต่อฟันตาต่อตาพวกนี้เวลาใครทําอะไรแล้วจะต้องร้างแค้นกันอาฆาตพยาบาทเพราะว่าใจนี้มันร้อนด้วยความแค้นนั่นเองจะระบายให้ความแค้นนี้ระงับดับไปก็ต้องทําร้ายผู้ที่เขามาทําร้ายเราพวกนี้ท่านบอกว่าถ้าตายไปก็จะไปนรกเพราะนารกก็คือ สภาพจิตใจที่รุ่มร้อนนี่รุ่มร้อนด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือสี่มิติด้วยกันสี่สถานที่ของดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปในลักษณะต่างๆที่จะต้องไปรับใช้ต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ทาบาปเลยทั้งสี่ชนิดนี้เวลาตายไปเราก็จะไม่ต้องไป ไปเกิดในอบายดังสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายก็คือการรักษาศี่ห้านี่ไม่การไม่กระทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ถึงแม้จะโกรธถึงแม้จะหิวไม่มีข้าวกินอะไรก็ตามจะไม่ไปยิงนกตกปลาจะอาจจะไปหาผักหาอะไรมากินแทนอยากจะไม่ไปฆ่าสัตว์เพื่อเอาชีวิตเขามาเป็นอาหาร แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเอามารับประทานได้ไม่ถือว่าบาปเช่นถ้าเราไปตลาดแล้วมีคนเอาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาขายนี้ไม่ถือว่าบาปยกเว้นว่าถ้าเราไปสั่งเขาไว้ก่อนถ้าเราสั่งว่าพรุ่งนี้เอาไก่มาสองตัวอืถ้าอย่างนี้เป็นการสั่งให้เขาฆ่าให้เราก็ถือว่าบาปเหมือนกันทำเองก็ดีสั่งให้ให้ผู้อื่นทำแทนเราก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องอย่าทาถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าไปฆ่าเขาด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกถ้าฆ่าเขาด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายถ้าฆ่าเขาด้วยความโลภเช่นแย่งมรดกกันพี่น้องแย่งมรดกกัน ถ้าฆ่าให้พี่หรือน้องตายไปได้โมรดกของเขาก็อาจจะมากลายเป็นของเราขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเปรกทําบาปด้วยด้วยความโลภแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาความจริงสุรายาเมานี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นอบายอมุก แต่เมื่อดื่นไปแล้วจะทำให้ไม่มีสติควบคุมจิตใจเวลาจิตใจคิดจะทำบาปจะไม่มีอะไรมายับยั้งได้คนส่วนใหญ่เวลาทำบาปมักจะไปดื่นสุรากันก่อนเพราะเมื่อดด่นแล้วจะทำให้จิตใจด้านต่อความรู้สึกต่อความดีนั่นเองความกลัวบาปมันจะถูกสุรานี่มามาบังเอาไว้ทำให้คนกล้าทำบาปคนขึ้นมาถ้าเราอยากจะลัก สาสีไม่อยากจะทำบาปเราก็ต้องไม่เดื่มโซลายาเมาไปด้วยเดือดแล้วเมาแล้วก็เดี๋ยวก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปทำบาปอย่างใด อ, อย่างแน่นอนนอันนี้คือคำสอนข้อแรกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือให้ละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงบาปที่พูดถึงนี้ก็สี่ข้อแล้วก็มีอบายามุขอีกห้าข้อที่เป็นตัวที่จะสนับสนุน ให้กระทำบาปก็ไม่ให้ทําเพราะว่าคําว่าอบายมุข ก, ก็แปลว่าทางเข้าสู่อบายนั่นเองเอผู้ใดเมื่อเสบอบายมุขแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทําบาปกันอบายมุข ก, ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็ไม่ดื่มสุรายามเมาการดื่มสุรายามเมาข้อสองการเล่นการพนันข้อสาการเที่ยวเต่ข้อสี่ การครบคนชอบอาบายามุขเป็นนิตรข้อห้าการความเกลียดคร้านการกระทำห้าข้อนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่ช้าก็เร็วจะต้องไปทำบาปเช่นดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาพอเกิดความโกรธขึ้นมาก็ยับยั้งโทสะไม่ได้เกิดความโลภขึ้นมาก็ยับยั้งไม่ได้ก็อาจจะไปทำบาปได้ถ้าเล่นการพ น, นัน ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไม่เช่นนั้นถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็ไปรักขโมยเงินของผู้อื่นมาเล่นเล่นได้เท่าไหร่ก็ไม่มีไม่รู้จักหยุดเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนเวลาเสียก็พอเงินหมดก็ต้องขายทรัพย์สมบัติของตนเองพอเงินหมดก็ขายทรัพย์สินขายที่ดินเพาว่า การพนานนี้มันร้ายกาว่าขโมยขึ้นบ้านเพราะเวลาขโมยขึ้นบ้านมันเอาเพียงแต่ทรัพย์สินไปแล้วก็ร้าย ก, ากว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านมันก็ไหม้บ้านกับไฟทรัพย์สินแต่ที่ดินก็ยังอยู่แต่การพนันนี้มันเอาหมดเลยเอาทั้งทรัพย์สินเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ดินไปหมดเพราะเมื่อเล่แล้วมันติดมันเลอกไม่ได้อยากจะได้คืน ก็เอาที่ดินไปจำนองเอาบ้านไปขายแล้วพอไม่มีเงินคืนเขาเขาก็ยึดไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปลักขโมยเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเล่นต่อยหรือไปโกหกพูดข อ, อยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนชออันนี้คือการเหตุที่จะพาให้ไปทำบาปคืออบายามุขการเที่ยวก็ไม่มีรายได้แล้วเสียเวลา แตนที่จะเวลาไปทำอาหารกิน ก, ก้าเวลาไปเที่ยวก็มีแต่เสียเงินเสียทองไม่มีรายได้เข้ามาเที่ยวมากๆเดี๋ยวก็ไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือก็ต้องไปหาโดยวิธีช่อโกงนั่นแหละ mm hmm. แล้วส่วนการคบบุคคลที่ชอบอบายามุกกะเขาชอบอะไรเขาก็จะชวนเราไปทําอย่างนั้นเขาชอบเล่นการพานันเ ข, เ, เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา เขาชอบเที่ยวก็จะชวนเราไปเที่ยวแล้วพวกสุดท้ายก็คือความเกียดค้านคือพวกที่ไม่ชอบธรมาหากรินยนงต่างหนึ่งทางชอบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรตรงนี้ก็ไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้ก็ต้องมปหารายได้โดยวิธีมิชอบไปรักเล็กขโมยน้อยไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องละด้วย นอกจากบาปสี่ข้อแล้วก็ต้องละอบายามุกอีกห้าข้อแล้วจะทำให้การกระทำบาปของเรานี้เป็นไปได้ยากแล้วโอกาสที่จะทำให้เราไปเกิดในอบายเยาภูมินี้ก็จะแทบจะไม่มีเลยถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยและเราไม่ได้ทำบุญเลยและอย่างน้อยเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เป็นภพของผู้ที่มีบุญแะบาปเท่าๆกัน บาปไม่มากกว่าบุญบุญไม่มากกว่าบาปบุญดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปดึงไปอบายไม่ได้ก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์กัน <Yeah. S 1> การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ <Yeah. S 1> ก็ดีตรงที่ว่าถ้าได้เจอพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไป <Yeah. S 1> หรือว่าถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมต่อได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น <Yeah. S 1> ให้อยู่ห่างไกล <Yeah. S 1> จากการ จากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดระดับที่สองที่เราต้องทําตามคําสอนของพระเจ้าก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ทําบุญชนิดต่างๆให้ทําบุญทําทานรับสละให้เราช่วยเหลือผู้อื่นทุกข์เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่งลับไปแล้วเวลามีใครเขาทาบุญก็เล่อมอนุโมทนาบุญด้วย นี่คือบุญชนิดต่างๆทําแล้วจะทำให้จิตใจเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์จิตใจเราก็จะยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราทําบุญจิตใจเราจะสูงกว่าการเป็นมนุษย์จะเป็นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณของการทําบุญว่าเราทามากทาน้อย ธรรมะก็จะเป็นเทพที่สูงมีความสุขมากขึ้นเทพที่มีหกชั้นนี้ต่างกันที่ความสุขนี่ความสุขของเทพแต่ละชั้นนี้ต่างกันเหมือนกับโรงแรมที่มีดาวต่างกันถ่ามีดาวมากความสุขค ว, ความสุขก็ในโรงแรมนั้นก็จะมีมากกว่าโรงแรมที่มีดาวน้อยโรงแรมหนึ่งดาวนี้สู้สองดาวไม่ได้สองดาวสู้สามดาวไม่ได้ ได้การทําบุญก็เช่นเดียวกันทําบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้น ท, ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราไปยกระจิตสู่ระดับของการเป็นเทพแล้วนี้การที่เราจะยกระดับให้สูงกว่า น, นั้นก็ง่ายคือนอกจากที่สูงกว่า น, นี้ก็ยังมี2ระดับด้วยกันคือระดับพรหมโลกและระดับอริยะของอริยะบุคคล อันนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนข้อแรกสอนให้ละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมข้อที่สามให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหาผู้สร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจผู้ที่พยายามจะดึงจิตใจให้ลงต่ง ผู้ที่พยายามดึงจิตใจให้อยู่ติดอยู่ในวัดวัดวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติขั้นที่สามเรียกว่าการภาวนาขั้นที่หนึ่งให้รักษาศีลละอบอยาุกขั้นที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม เมื่อเราทำได้สองขั้นแรกแล้วเราก็พร้อมที่จะมาทำขั้นที่สามต่อไปขั้นที่สามนี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้เป็นศีลแปดเพราะว่าการที่เราจะชาระจิตใจของเราให้สะอาดได้นี้เราต้องยุติการทำกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมทางการคุณห้านี้เราต้องละคือเราต้องถือเนต ข, ขัมมะ ในขมมะคือการยุติการหาความสุขจากการบุญทั้งห้าคือรูปเสียงกลิน่นลดด้วยการถือศีลแปดนี้ศีลแปดนี้จะบอกให้เราละจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราให้ถือพรหมจรรย์คือไม่ไม่ร่วมหลับนอนกันเป็นเพื่อนกันอยู่บ้านเดียวกันได้แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กันไม่หาความสุขจากกันละกันต่างฝ่ายให้ไปหาความสุข จากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสตินั่งสมาธิข้อสี่ข้อสามถ้าเคยถือศี่ห้ามาพอมาถือศี่แปก็ต้องเปลี่ยนข้อสา 3, ให้เป็นอ布 ร, รมจริยาเวรามณีถ้าถ้าสี่ห้าก็เป็นกาเมสุมิจฉาจเวรามณีคือไม่มัพพุตผิดป ร, ประเพณีคกอจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากคู่ครองของเราแต่พอมาถือศี่แปดนี้ก็จะ ระงับการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติมาหาความสุขมาชำระจิตใจด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับต่อไปเราจึงต้องมีเวลาและการจะมีเวลาได้เราก็ต้องถือสีลแปดกันสีข้อหกก็คือเราต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารมาก จะทำให้เกิดความเกียดค้าเกิดความง่วงนอนเวลาที่เรามาฝึกสมาธิเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้จะเกิดอาการง่วงเหงาหานอนจะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเรารับประทานเพียงเพียงวันหลังจากนั้นไปตอนบ่ายๆก็จะรู้สึกเบาตัวก็จะเบาจะไม่รู้สึกง่วงนอนแต่ถ้ารอรับประทานอาหารเย็ยนอีก แล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมนี้พอรับประทานเสร็จมันก็อยากจะนอนละเพราะว่าหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา <c oughs> เราก็ต้องไม่รับประทานอาหารมากเกินไปบางท่านนี้อาจจะรับประทานเพียงมื้อเดียวเลยก็มี บางท่านก็อาจจะรับประทานวันเว้นวันก็มีสําหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นได้ผลดีจากการปฏิบัติเห็นว่าการไม่รับประทานอาหารมากนี้มันทําให้ไม่เกียดข้านทําให้ไม่ง่วงเหงาหานอนกําจัดนิวรณ์ตัวที่มาเป็นอุปสรรคของการเจริญสมาธิได้ดีบางท่านก็อาจจะอดอาหารครั้งละหลายวันก็มีสามวันบ้างห้าวันบ้างก็มีแต่ก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อดทุกอย่างนะ ก็ยังเด่มพวกน้าได้หรือน้าปานะได้น้าปานะน้ํน้นนนพึ่งน้ําตาลอะไรทั้งนองนี้ยังสามารถเอามาดื่มได้ให้ให้กลังกับร่างกายได้บ้างแต่ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายง่วงนอนเป็นการให้ให้พลังกับร่างกายอันนี้ก็เป็นข้อหกไม่รับประทานอาหารมากน้งเที่ยงวันไปแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาเนื่องเกี่ยวความง่วงเหงาเหานอนเรื่องของความเกลียดข้านแล้วข้อที่เจก็คือละเว้นจากการบันเทิงต่างๆการบันเทิงการหาความสุขจากการดูการฟังการเที่ยวการเล่นอะไรต่างๆนี้เราจะได้เอาเวลาของการหาความสุขแบบนี้มามาเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนามาชำระจิตใจให้สะอาด การชำระจิตใจนี้ต้องชำระ ด, ด้วยการภาวนาภาวนาคือสมถะและวิปัสนาภาวนาเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกนี้ต้องทำจิตใจให้สงบก่อนเพราะถ้าจิตใจไม่สงบนี้จะไม่สามารถสอนความจริงให้กับจิตใจที่เรียกว่าวิปัสนาไดา้ต้องจิตใจที่มีความสงบมีอุเบกขามีความวางเฉยได้ก่อน ถึงจะสามารถสอนวิปัสสนาให้เห็นสิ่งต่างๆที่ความโลภความอยากต้องการว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ให้มันให้ความสุสขกับเราตลอดไปไม่ได้พอเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ถ้าเราหยุดความโลภได้เราก็จะหยุดความโกรธได้ เพราะความโกรธนี้เป็นผลตามจากความโลภเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วพอเราไม่ได้เรามักจะโกรธแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่โกรธดังนั้นความโกรธนี้มันเป็นผลที่ตามมาจากความโลภแล้วความโลภนี้เป็นผลที่ตามมาจากความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปทําให้มันเที่ยงได้ แต่เราไม่มองเราไม่คิดกันเรามองเห็นอะไรเรามักจะเห็นว่าเป็นความสุขกันเห็นคนนั้นคนนี้เราจะคิดว่าถ้าได้เขามาแล้วเขาจะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่คิดว่าเขาเปลี่ยนได้เวลาพบกันใหม่ๆเขาดีกับเราทุกอย่างดีหมดพออยู่กับเราไปนานๆมันกลายเป็นไม่ดีเสียแล้วเพราะเขาไม่ทาตามใจเราเหมือนตอนที่เขาพบกับเราใหม่ๆเพราะเขาเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนได้ แล้วเราก็ไปบังคับเขาไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้ ừ, การบังคับสิ่ ง, งต่างๆไม่ได้เรียกว่าอนัตตา ส, สิ่งต่างๆนี้เป็นเหมือนธรรมชาติ ừ, เราไปบังคับธรรมชาติไม่ได้เราไปสั่งไปห้ามไม่ให้ฝนตกแดดออกไม่ได้ฝนจะตกเขาก็ตกแดดจะออกเขาก็ออกคนก็เหมือนกันเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเวลาเขาจะดีเขาก็ดีเวลาเขาจะไม่ดีเขาก็ไม่ดี เอ้ราอย่าไปตกหลุมพรางเวลาเขาดีกับเราเราอย่าไปคิดว่าเขาจะดีกับเราไปตลอดเราต้องคิดถึงค mm. ําว่าอนิจจ์ความไม่เที่ยงการเปลี <wh <wh <wh <wh ่ยนแปลงมีเกิดขึ้นกับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่คือเครื่องที่จะมาแก้ความหนงใจเรามักจะคิดไปในทางที่ผิดคิดว่าจะให้ความสุขกับเราไปตลอดคิดว่าเขาจะดีไปตลอดคิดว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงคิดว่าเขาจะทํา อะไรตามที่เราบอกเขาได้เสมอไปซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดพอละพอพออยู่ไปแล้วถึงจะรู้แต่ก็สายไปเสียแล้วเจอวความทุกข์น้ำตาตกในไปเสียแล้วเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจรักนั่นเองอันนี้คือขั้นของการปฏิบัติภาวนาเบื้องต้นนี้เราต้องทำจิตใจให้สงบก่อน ทำจิตใจให้นิ่งจิตใจที่นิ่งนี้จะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเรามีมีความสงบมีอุเบกขานี้เราจะฝืนและเราจะมีช่วงเวลาคิดได้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์กันแน่แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบนี่พอเวลาเราเห็นอะไรเราคิดว่าเป็นความสุขนี้เราจะไม่คิดอย่างอื่นเลย เาจะคิดว่าเป็นความสุขอย่างเดียวแล้วก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีแล้วพอไปได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความจริงเจอความจริงที่มันเปลี่ยนไปสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราต่อมาอันนี้คือการปฏิบัติเรื่องของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ต้องเริ่มที่สมถภาวนาก่อนต้องเริ่มที่การรักษาศีลแปก่อนเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปนี้เราก็จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นกันอยากจะดูหนังก็ดูได้อยากจะฟังเพลงก็ได้อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปได้เพราะไม่มีข้อห้ามเพราะมันไม่เป็นบาปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นกิจกรรมที่จะผูกมัดให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตาเยเกิด ให้เรามาเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยๆเพราะเราติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบนี้เราก็ต้องฝืนเราต้องเลิกการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพราะถ้าเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เวลานั่งสมาธินี่เราจะทําให้จิตสงบนิ่งได้เวลาจิตสงบนิ่งนี้จิตจะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงอยู่ที่ที่ความสงบของใจนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนนัตติสันติปรังสุขขงังสุขที่สุขอื่นที่เหนือกับความสงบในโลกนี้ไม่มี ต่อให้ได้ความสุขจากถูกลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็สู้กับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้เพราะความสุขที่ได้จากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้มันจะมีมามีความวิตกกังวลตามมาทันทีว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปใช้ที่ไหนจะบอกให้ใครรู้หรือไม่กลัวคนนั้นเขารู้กลัวคนนั้นจะมาขอกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีความสุขทางโลกจะเป็นอย่างนี้ แต่ความสุขทางธรรมนี้จะไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความอะไรต่างๆมาเพราะจิตจะนิ่งสงบจะมีแต่ความสบายมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเป็นจิตที่มีความมั่นคงกล้าหาญไม่รักอะไรไม่ชังอะไรไม่กลัวอะไรไม่หลงกับอะไรแต่เป็นสิ่งที่มันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิ พอจากสมาธิมาแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาอยู่ในตู้เย็นนี้มันจะเย็นที่สุดแต่พอเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าเราต้องการให้น้ํานั้นกลับมาเย็นขึ้นอีกเราก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นอีกการทําจิตใจของเราให้สงบให้มีความสุขนี้เราก็ต้องทําอยู่บ่อยๆ เือเรานั่งสมาธิเวลาจิตสงบก็เกิดความสุขแต่เราก็อยู่ในสมาธิได้ในระยะหนึ่งเบื้องต้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆต่อไปเราจะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นแต่ไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องออกมาเพราะกำลังที่คอยผลักดันจิตใจของเรายังไม่ได้ถูกกำจัดไปสิ่งที่คอยผลักดันให้จิตใจของเราเอาอกมาจากสมาธิคืออะไร ก็คือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นนั่นนี่คือกิเลสตัณหาที่เรายังไม่ได้กําจัดมันเพราะสตินี้ไม่ได้เป็นตัวที่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาได้เป็นเพียงแต่กดมันไว้ได้ดันมันเข้าไปข้างในใจได้แต่พอกําลังของสติอ่อนลงปั๊บกําลังของความอยากในรูปเสียงกลิ่นน่นก็จะผลักให้จิตออกมาทางร่างกาย เอามาหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไปมาเสษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผู้ที่ปฏิบัติถ้าต้องการที่จะกำจัดความอยากเหล่านี้ต้องต้องมีความระมัดระวังเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องไม่ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของความอยากต้องหมันเจริญสติหรือใช้ปัญญาถ้าเกิดความอยากถ้าใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะว่ามัน ให้ความสุขเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหมดไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเราก็จะสามารถหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้อย่างถาหวอดต้องหยุดด้วยปัญญาแต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะใช้ปัญญาเราก็หยุดด้วยสติไปก่อนถ้าจิตคิดถึงขนมก็อย่าให้มันคิดหยุดคิด ถ้าจิตคิดถึงนครอยากดูก็อย่าให้มันคิดถึงนครให้มันคิดถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือให้มันเท่าดูการเคลื่อนไหวการทํางานของร่างกายมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาเพื่อคอยควบคุมคอยป้องกันความอยากที่จะคอยฉุดลากให้จิตใจนั้นออกไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วพอมีเวลากลับไปสมาธิได้ก็รีบกลับเข้าไปนั่งสมาธิต่อ ผู้ที่ต้องการที่จะให้มีความสงบอยู่เรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำงานแล้วไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นถึงจะมีเวลาได้ปฏิบัติทําได้อย่างต่อเ น, นื่อง<ม>ทั้งวันถ้ายังมีภารกิจการงานนี้แทบจะหาเวลามาปฏิบัติแทบจะไม่ได้เลยยกเว้นวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานซึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันสองวันเท่านั้น แต่ถ้านอกจากนั้นก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะทำได้สำหรับผู้ที่เคยได้สัมผัสกับความสงบ ม, มานี้จะเกิดความศรัทธาเกิดความยินดีเกิดความอยากปฏิบัติมากขึ้นไปเองแล้วก็จะพยายามลดละภารกิจหน้าที่การงานต่างๆให้น้อยลงไปเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างไปให้กับการปฏิบัติและอาจจะไปหาที่สงบ ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเพื่อปฏิบัติเพราะว่าสถานที่ที่บ้านนี้จะไม่ค่อยเอื้อต่อการปฏิบัติเพราะบ้านนี้จะมีแต่เรื่องราวต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆมีบุคคลต่างๆมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่ใกล้เดียวก็จะถูกเหตุการณ์เหล่านั้นกระทบกระเทือนทำให้การทาจิตใจให้สงบนี้ยากเหมือนกับน้าเนี่ยน้ำ ถ้ามีคนกระโดดลงไปเล่นน้ําอยู่ทั้งวันนี้น้ํามันก็จะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าต้องการให้น้ํานิ่งนี้ต้องห้ามคนไม่ให้ลงสระน้ำปล่อยให้สระน้ําอยู่เฉยๆน้ํามันถึงจะนิ่งได้แต่ ใ, ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนน้ําในสระน้นํานี้ถ้าอยากจะให้ใจเรานิ่งสงบง่ายเราต้องไปอยู่ที่ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนใจเราต้องไปปลีกวิเวกภาษาพระภาษ า, า, ษานักปฏิบัติท่าเนเรียกว่าปีกวิเวก คือไปหาที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อไปแล้วเราก็จะป้องกันตัวที่มาคอยสร้างความวุ่นวายใจให้เราได้ครึ่งหนึ่งคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะไม่มาก่อกวนจิตใจแต่ยังมีครึ่งหนึ่งที่มันยังไม่ได้ล็อกการกำจัดจากการไปปิดวิเวกสิ่งนั้นก็คือความอยากของเราเอง เราไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็อดคิดถึงคนนั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดเราจะต้องใช้สติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าไปปีกิเวกแล้วเราจําเป็นจะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคตไม่ให้คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ ถ้าเดินจงกรมก็ให้อยู่กับการเดินจงกรมถ้ารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารถ้าอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ตามก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ใช้คำว่าพุโทโธแทนก็ได้คอยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะมันจะทำให้ความอยากปรากฏขึ้นมาแล้วเกิดความอยากแล้วมันก็จะอดทนไม่ได้ เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องกลับไปกันคนที่บวชแล้วสึกก็พ่ออย่างเนี้สู้ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมใจของตนไม่ให้คิดไปถึงเรื่องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็รายในที่สุดก็ทนอยู่ไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดที่สามารถควบคุมความคิดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ก็สามารถอยู่ตามลําพังได้อย่างสบายไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ต่อห้ได้เสียงรูปเสียงกลิ่นล้ระดับของพระราชามาหากษัตริย์มันก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชามาหากษัตริย์มาก่อนเคยสัมผัสกับความสุขของพระราชามาหากษัตริย์มาแล้วแต่พระองค์ก็ไม่เห็นว่าจะดีกว่าความสงบที่ท่านได้จากการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ได้ทรงพบความสงบที่ถาวรคือพระนิี่ผ่านแล้วพระองค์ไม่เคยคิดที่จะกลับไปอยู่ในวังอีกต่อไป แม้จะมีใครนิมนต์ให้กลับไปท่านก็ไม่ไปนอกจากไปเยี่ยมไปแสดงธรรมไปสั่งสอนญาติโยมท่านั้นท่านไปแต่ที่อยู่ของท่านนี้ท่านชอบอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่สงบสงบวิเวกอยู่ในที่ที่ไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่เราต้องทำที่เรียกว่าการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องชำระด้วยการข้อหนึ่งถือศีลศีลแปด เรียกว่าสังวร อ, อินทรีย์อินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกรินกายไม่ให้ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการดึงเอาตัวเราออกจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองนี้จะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสรอบตัวเราเลยเดี๋ยวเห็นรูปเดี๋ยวเห็นเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยวได้กลิ่นเห็นแล้วก็เกิดตันหาความอยากขึ้นมาทันที แต่ถ้าไปอยู่ที่ไกลเช่นตามป่าตามเขานี่มันจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดที่จะทําให้เกิดการมาตัญหาขึ้นได้ mm hmm. นั้นข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากจะชำระจิตใจให้สะอ า, านี้เราต้องสำรวจมินซีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเมื่อเราอยู่ที่ห่างไกลแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือต้องหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลา อย่าไปอยู่เฉยๆเดือยไม่ควบคุมจิตใจไม่ควบควมควบคุมความคิดของเราเพราะถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยเสพนั่นแหะแล้วพอคิดมากๆเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพราะเมื่อเกิดความอยากเสพขึ้นมามากๆแล้วมันก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องกลับไปเสพอีกฉะนั้นต้องคอยเจริญสติคอยควบคุมความคิดให้ได้แล้วหมั่นนั่งสมาธิให้บ่อยๆเบื้องต้นยังไม่ต้องเจริญสติ ให้ไม่ต้องเจริญปัญญาให้เจริญ ส, สติสมาธิให้มากๆจนกว่าจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการและอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราชำน้านขั้นสมาธิแล้ว เ, เราค่อยไปทางปัญญาเวลาออกมาจากสมาธิเวลาใจจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่ง ไปควบคุมให้มันเป็นสุขไปตลอดเวลาไม่ได้วันดีคืนดีมันก็จะเปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ให้เราหมั่นสอนใจด้วยไตยรลักษณ์นี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาได้เราจะสามารถกําจัดความอยากได้อย่างถาวรจนต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจต่อไปเมื่อไม่มีความหลงเหลืออยู่แล้ว ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เรียกใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้เราก็เรียกว่นนานิพพานนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่นะเป็นสถานภาพของจิตใจของผู้ปฏิบัตินไม่ได้เป็นที่อยู่บนท้องฟ้าหรือยอยู่อีกภพเอกชาติภพชาตินี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตใจของพวกเราเนี่ยเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในจิตใจของพวกเราเราเปลี่ยนสังสารวะให้กลายเป็นนิพพานในจิตใจของพวกเรา มันไม่ได้เป็นสถานที่งั้นอย่าไปหาอย่าไปคิดว่าอยู่ที่นู้นที่นี่มันอยู่ในใจของเร า, างั้นขอให้เราปฏิบัติแล้วคอยดูใจของเราว่าใจของเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องชาระต่อไปด้วยการจเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนกว่ามันจะไม่มีความโลภความโกรธหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป มีแต่ความสุขตลอดเวลาถ้าได้ถึงจุดนั้นก็ถือว่าภารกิจทางพุทธศาสนาก็สิ้นสุดลงไม่มีกิจอะไรที่ต้องทำอีกต่อไปก็เหมือนกับคนที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วพอไปรับรางวัลแล้วภารกิจของการไปรับรางวัลก็หมดไปลลไม่ต้องไปขึ้นรางวัลอีกต่อไปเพราะเราได้รับรางวัลแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ซึ่งข่าวทั้งสองข่าวตอนต้นก็เป็นข่าวร้าย ข, าข้อหนึ่งข่าวดีข้อหนึ่งแต่พอฟังไปฟังมาข่าวร้ายก็หายไปกลายเป็นข่าวดีทั้งสองข้อเพราะการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นปไม่ปฏิบัติท่านนั้นอ่ะถือว่าถือว่าเป็นข่าวร้ายถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการเสียชาติเกิด เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามคำสอนก็ถือว่าได้ถูกตตรัตตลีแล้วได้ขึ้นรางวัลก็ถือว่าข่าวทั้งสองข่าวก็จะกลายเป็นข่าวดีทั้งสองอย่างทั้งสองข่าวไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถามณิโชติอะะโสยถาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจจังวุฒาปะจายิโน จตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามคำถามอะไรเชิญถามได้ถามด้วยตัวเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรอตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็กำยังสดอยู่ก็สามารถเข้ามาได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ทาง facebook youtube มีทีมงานช่วยดูแลอยู่ใช่ไหมคำถามต่างๆ อ, อย่างนี้สบายไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องตัวไม่ต้องมาก็ได้พิมพ์ข้อความเข้ามาก็ได้เชิญรายงานก่อนวันนี้มีกี่คน วันนี้นะคะทาง facebook 437ยู u ูบพระสุชาติไลฟ์271 youtube ดกรวี121วิทยุออนไลน์11 Club House 18หน้ากุติ174รวม 1,032 ท่านค่ะเรี okay. ยนถามได้เลยถ้ามีคําถามคุณรงชัยมี2คําถามนะคะการปฏิบัติธรรม เราจะปฏิบัติเจริญสติสมาธิด้วยตนเองทุกวันร่วมกับฟังเทศนาธรรมทางสือ่อและหาเวลาว่างไปสนทนาธรรมกับพระเป็นระยะระยะจะก้าวหน้าได้ดีหรือไม่ครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรความก้าวหน้าอยู่ที่การปฏิบัติแต่จะปฏิบัติก้าวหน้าได้ก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องมีการศึกษามีการสนทนาธรรมชั ไปพร้อมๆกันถ้าจุดไหนเราไม่เข้าใจเราก็ไปคุยไปถามท่านไปเล่าให้ท่านฟังว่าเราทำอย่างนี้มาถูกไหมอะไรทำนองนี้ก็ต้องมีทั้งสองส่วนปฏิบัติกับการศึกษานี้ไปควบคู่กันได้ไม่ได้แยกทางกันคำถามที่สองค่ะจำเป็นต้องไปอยู่ปฏิบัติเข้าคอร์สอบรมหรือไปอยู่กับพระที่วัดเป็นช่วงเวลายาวๆไหมครับ เข้าใจดีว่าที่สุดแล้วคือการบวชแต่ยังไม่มีกําลังใจพอครับก็อย่างที่รู้กันนะยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งเร็วถ้าปฏิบัติน้อยมันก็ช้ากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่ที่เราที่จะต้องพยายามสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นให้มากถ้ายังไปอยู่ที่วัดไม่ได้ก็พยายามฝึกปฏิบัติที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปก่อน หมดแล้วเหอันนี้มีแค่สองข้อน ะ, ะอ น, นมีใครอยากจะถามอะไรไหมยกมือขึ้นมาได้นะจะเอาไมไปให้เดี๋ยวเกินนี้ก็มีถามตอบทางอินเทอร์เน็ตตอนสองทุ่มถามตอบคำถามกับดรวีคุณอามะมาทางนี้ไ้ยมาทางนี้อเอาไมให้ท ใ, ให้คุณผู้ชายเลย พูดใกล้ๆป่าเหมือนน่ะนรมสัส ก, การรับพเจ้ า, จาใกล้ๆครับได้ฝึกปฏิบัติมาหลายปีแล้วแล้วก็จะมีคำถามถามท่านพระอาจารย์ครับว่าผมขาดพวกกำลังใจพวกแรงพวกอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีแล้วก็ยังมีห่วงในทางโลกอยู่ผมอาศัย ขัดเกลวนิสัยในทางโลกจะมีผลช่วยให้มีกำลังใจให้มีอธิษฐานสัจจะบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีในทางธรรมด้วยไหมครับก็ถ้าเราปฏิบัติได้ผลมากขึ้นเท่าไหร่สัจจะอธิษฐานบา ร, รมีก็จะมีมากขึ้นไปเพราะมีความตั้งใจมีความอยากปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยีการศึกษาของเรา ในเบื้องต้นเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะใช้เวลาที่ว่างจากภารกิจต่างๆให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพยียงอย่างเดียวอย่าเอาเวลาไปใช้กับการเสฟรูปเสียงกิ่นรสกันเอาเวลามาศึกษาอย่างเช่นวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกันก็มาฟังเทศฟังธรรมกันถ้ามีเวลาก็กลับไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมต่ออยู่ที่การปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะมีกำลังใจขึ้นมาเองขอจที่ฐานต่างๆมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นวิริยะขันติก็จะมีมากขึ้นครับในทางโลกในงานผมขัดเกาศึกษาเรียนรู้จนตำแหน่งหน้าที่การ ง, งานขยับขึ้นมามันก็ช่วยให้ให้ขัดเกาในแง่ไม่ดีไปด้วยมัน มันจะช่วยได้ไหมครับหรือว่าจริงๆผมไม่ต้อง ไ, ไปสนใจอะไรมากเราก็ต้องรับบาท่านกุศลอยู่ทุกระดับระดับทํางานอันไหนที่เป็นอกุศลเราก็อย่าทําอัไหนที่เป็นกุศลเราก็ทําทุกระดับระดับการทํางานระดับการศึกษาการปฏิบัติก็ต้องมีท่านกุศลและมีท่างอากุศลให้ละอากุศลให้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษ า, ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หายไป แล้วก็ป้องกันไม่ให้อกุศลที่ละแล้วโวนกลับมาใหม่นี่คือความเพียรสีลักษณะได้ไัน<า>เพียรสร้างกุศลเพียรรักษากุศลเพียรละอกุศลแล้วเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลที่ละแล้วกลับมาใหม่แสดงว่าถ้ายังมีห่วงในทางโลกอยู่ก็มุง่งมันพิจารณาตายรักไป<า>พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดหวงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปฉันจะตายจะจากกันตอนเป็นหรือจากกันตายตอนตายย่อดีกว่าจากตอนเป็นยังมีโอกาสได้ไปปฏิบัติจากกันตอนตายก็ไม่มีเวลาไม่ได้ปฏิบัติตามสุดท้ายครับอาจารย์ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนโควิดผมฝึกปฏิบัติจนจนพบความสงบในสมาธิอยู่แต่ว่า ช่วงปีที่ผ่านมางานเยอะมากจนถทาไม่ได้ปฏิบัติเลยจะมีวิธีไหนได้กลับมาฟื้นฟกูกำลังได้เหมือนเดิมได้ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทิ้งมันไปใช่ไหมครับเอาใหม่เลยผลที่เราได้ดืไปแล้วมันเป็นอดุดเป็นเหมือนข้าวข้าวที่เรากินไปหมดแนละ้วต้องมาหุงใหม่หุงข้าวใหม่ทำกับข้าวใหม่มาเจริญสติใหม่มาฝึกสติใหน่แล้ เ, เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ อย่าไปโหยหวนถึงผลที่ได้อยากให้มันกลับมามันไม่กลับมาหลอยิ่งไปอยากมันยิ่งไม่มาใหญ่เลยต้องทิ้งมันไปแล้วต้องลืมไปแล้วว่ามันเป็นของของที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะเดิมกลับมาได้วิธีเดินกลับมาได้ต้องสร้างผลงานใหม่ขึ้นมาการสเต็จกันใหม่ได้ครับขอบคุณครับมามาสการครับโอเค เดีย๋ยวเกิดในสองทุ่มก็มีช่วงถามตอบคำถามใน Facebook, YouTube ท่านสามารถเข้ามาได้แล้วส่งข้อความเข้ามาใค่เกิดได้อยู่บ้านหรู้จะทำอะไรสองทุ่มนองเปิดขึ้นมาดูแลสนษนาทำกับด็อกรวีคุณหมอวีระพันธ์ท่านเป็นหมอทางประสาทอยู่ที่พิษณุโลกแต่ก็สนใจการศึกษาการปฏิบัติธรรม เม่อก่อนนี้ยูทูของท่านก็ให้ความรู้ทางด้านรักษาทางร่างกายแล้วเมื่อปีที่แล้วเกิดความคิดว่าควรจะให้ความรู้ทางจิตใจด้วยก็เลยนิมนต์ให้เราไปสนทนาธรรมตอบคำถามกันก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกสั ป, ปดาห์เชิญคุณนิพลจิตที่ฝึกดีแล้วแต่ท่าชาตินี้ยังไม่ถึงสำเร็จ กำลังของจิตหรืออุปนิสัยจะติดตามต่อไปในภพชาติหน้าหรือไม่ครับไปหมดเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีปฏิบัติถึงขั้นไหนมันก็มันก็จะไปทำต่อได้เลยมันไม่หายไปคุณพินแคนเมื่อภาวนาพุทโธแล้วมีช่องว่างให้จิตคิดจะเปลี่ยนเป็นนั่งนิ่งดูความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดไปมาได้ไหมเจ้าคะ่ะ เพราะหม่ๆมันจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีความคิดแทรกเข้ามาข้อสําคัญเราอย่าไปให้ความสําคัญกับมันแค่นี้อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ที่คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียอย่างเดียวใหม่ๆจะเป็นการแย่งกันแย่งพื้นที่กันความคิดก็จะมาแย่งพื้นที่ของจิตพุทโธก็จะมาแย่งพื้นที่ของจิตงนั้นถ้าเราไม่หยุดพุทโธต่อไปความคิดมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแต่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ คุณ Little Flower เราไม่ได้ทําผิดศีลห้าก็ปิดประตูอบายได้แต่ถ้าเราจิตเศร้าหมองด้วยที่เราเป็นคนขี้น้อยใจขี้สงสารจิตแบบนี้เป็นบาปหรือเปล่าคะถ้าเป็นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะ อ, อ๋อไม่บาปเราก็เป็นอนุศนแม้แม้แต่เทวดาก็มีความทุกข์ได้มนุษย์เราก็มีความทุกข์ได้เทวดาก็มีความทุกข์ได้ อันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่แม้แต่พรหมถ้าออกจากสมาธิมาก็กมีความเศร้าหมองได้มีความทุกข์ไา้ทุกระดับยกเว้นพระอราหันตานั้นที่จะไม่มีความเศร้าหมองอีกต่อไปคุณเยี่ยหัวเวลานั่งสมาธิจําเป็นไหมครับที่เราต้องนั่งให้ถึงช่วงที่เกิดทุกขเวทนาแล้วพิจารณาปล่อยวางความเจ็บให้ได้ถึงจะก้าวหน้าครับ ก็อยู่ที่ขั้นตอนของการปฏิบัติของเรานะถ้าเราพร้อมที่จะพิจารณาทุกขเวทนาเพื่อให้ผ่านเราก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณาความเจ็บนั้นให้เห็นว่ามันเป็นตายรักให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราต้องปล่อยวางมันให้ได้ไม่ต้องไปอยากให้มันหายไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความกลัว มันถ้าเราไม่กลัวมันเราพูดโธพุโทโธไปเราก็จะอยู่กับมันได้ผ่านมันได้คุณชัยพฤกเราขับรถไปชนสัตว์ตายโดยไม่ตั้งใจเป็นบาปหรือไม่ครับไม่บาปถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปแต่อาจจะมีเวรก็ได้สัตว์ที่ถูกเราชนมันอาจจะโกรธเราก็ได้คำถามหมดแล้ ว, วโอเคหมดแล้วนะ ให้เวลาท่านที่ใครอยากจะถามเวลาคิดอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาหรือเดินเข้ามาก็ได้มาถามเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยมาม า, าใหม่ให้คุณหมอตอนนี้พวกพวกเชื้อทางทางทางมือทางอะไรนี่ยัง มีนมันระวังกันอยู่หรืบ้างยังต้องค่าเชืชชชชช้อยังต้องเช็ดมือเช็ดไม้อะไรอยู่บ่าอยู่น้อยล้ไม่ค่ยกังวลเท่าไหร่มีอยู่บ้างไหมทำนมัส ก, การคุญช่ายครับเราขับรถไปครับไม่ตั้งใจชนสัตว์นะครับเอไม่บาป<ร>แล้วทำให้เราจริตใจเพราะว่าเราเป็นคนกลัวบาปไนงะก็เลยทําให้จิตใจเราไม่สบายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่บาปเราก็จะสบายเราก็เฉย แต่ก็แต่ก็ไม่ควรที่จะย่ามใจก็ต้องคิดว่าชีวิตเขาก็สำคัญถ้าเราทำบุญอยที่ให้เขาได้ก็ทำไปแล้วก็พยายามมีสติให้มีความระมัดระวังมากขึ้นแต่เรื่องเหตุสุดวิสัยนี้ไม่มีใครห้ามกันได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการวัดประหลอดอุณหภูหมิเท่าไหร่ไม่ที่ไหนเ่อนนก่อนเพราะกานต้องมีประหลอดให้วัดกันทุกคน แล้วก็มีที่ให้เช็ดมือทําความสะอาดเดี๋ยวนี้เอาแต่หน้ากากเปนหลักเชิญกพาพเจ้าย์ค่ะหนูปฏิบัติสมาธิมาหลายปีแล้วอะค่ะได้อพั ป, ปนาสมาธิตลอดเวลาแล้วก็ทุกครั้งที่จะเข้าแล้วก็ปกติก็มันจะเย็นมันจะรู้อยู่ข้างในค่อนข้างสบายมากๆอะค่ะแล้วก็รู้แล้วว่าเจอต่อมผู้รู้ที่เรารู้แล้วว่าถ้า ชีวิตเราต้องแยกจิตกับกายต้องแยกออาจากกันเราจะไปถึงไหนอะค่ะแต่คืออยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ถามว่าถ้าเจะบีบปัสนาขั้นสูงขึ้นไปเช่นพระอนาคามีจะต้องทํำยังไงเจ้าคะ่ะถ้าเป็นพระอนาคามีก็ต้องละ ก, กามรารคานะต้องไม่เห็นร่างกายว่าสวยงามร่างกายของคนอื่นนะเห็นถ้าเห็นคนนั้นรูปหล่อน่ารักก็อยากจะได้เข้ามาเป็นแฟน ก็ต้องพิจรารณาเวลาเขาเป็นซากศพว่าเป็นยังไงหรือเวลาที่เราดูเข้าไปภายในของร่างกายเขาเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆมันก็จะทําให้เราละกามาราคาได้ก็จะขั้นผ้าน า, นางคำนี้ได้คือต้องวกเข้ามาดูในกายเพื่อให้กายเป็นโครงกระดูกต้องเห็นโครงกระดูกตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครเนี้ยนตอนเนี้ย เห็นใายมองเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นตับไตไส้กรูของเขาพร้อมๆกับเห็นภายนอกของเขาด้วยเห็นทั้งข้างนอกอเห็นทั้งข้างในตอนแรกก็คือให้จําภาพนั้นไปก่อนอตอนต้นก็ดูภาพแล้วเมันนึกเหมือนกับท่องสูตรคูนอย่างเงี้ยค่ะต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติค่ะยังยังไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นกลับไปเริ่มต้นว่าต้องพิจารณาว่าเขาเป็น เขเลยนะมีความไม่สวยงามเป็นซากศพไม่ต้องถึงขั้นเน่าสกปรกอะไรอย่างนั้นชไก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่กิเลสของเรากิเลสของเราบางทีเอาแบบของแบบไม่ไม่ไม่หนักไม่ไม่แรงมันไม่มันไม่ยอมบางทีก็ต้องเอาขนาดเห็นหนอนชัยเห็นอะไรขึ้นอื่นขึ้นมาอะไรนี่ค่ะแล้วแต่กิเลสของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนเห็นแต่เพียงของกระดูกก็พอละค่ะดูโอเคเจ้าค่ะ ค, คุณหมอต่ อ, อ, อ, ต อ, อวันก่อนหลวงพ่อได้เมตตาพูดเรื่องการการเปลี่ยนสัญญาเป็นปัญญาที่หลวงพ่อบอกว่าการพิจารณาเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าพาิจารณาบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างสัญญาที่มันถูกต้องใช่ไหม้าวรให้มันท้าวร ใ, ใ, ให้มันกลายเป็นปัญญาไป เพราะเราเราเราเร า, เราจะใช้เราไม่ไม่รู้ว่าจะใช้มันตอนไหนครับบางทีตอนที่เราพิจารณาเราเรารู้แต่พอถึงเวลาจะใช้มันเอาวหายไปไหนไม่รู้อะไ น, นี้ก็เป็นสัญญาไปแต่ถ้ามันพร้อมที่จะมารับใช้เราทันทีก็เรียกว่าเป็นปัญญาเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาปุ๊บสัญญาตอนตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาทันทีนี้ก็กลายเป็นปัญญาไปคือแสดงว่ามันก็เหมือนกับว่าซ้อมอย<น>ู่เรื่อยๆพิจารณอยู่เรื่องๆให้แยกคาย พิจารณาอย่างแยกครก็คือไม่หลงไม่ลืมครับพร้อมที่จะมาใช้งานได้ตลอดเวลาเหมือนห้องผ่าตัดของคุณหมออย่างเงี้ยต้องเตรียมการไว้ตลอดเวลาครับไม่ใช่ถึงเวลาจะใช้เราขาดนู่นขาดนี่ทํางานไม่ได้คือมันเหมือนกับว่าการสัญญาณนั้นมันต้องเป็นอัตโนมัติใช่ไหมฮะหลวงพ่อเป็นเหมือนกับเป็นจิตสํานึกเราอยู่ใต้เป็นจิตใต้สํานึกเราเลยอัตโนมัติมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติ ถ้าสมมุติในในการพอพอเกเหตุโผมาปั๊บปัญญาก็ออกมารับทันทีเลยสมมุติเหตุเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีเราอาจจะมีสัญญาว่าสัญญาทางทางโลกไว้แบบหนึ่งอันนี้เราก็เหมือนกับสะสมสัญญาทางทางธรรมะเนี่ยไว้มากขึ้นเรื่อยๆจนมันจนมันเต็มมันก็มาเต็มเต็มขวดอแล้วพอเหตุอันนั้นเข้ามาเนี่ยสัญญาตรงนี้มันจะต้องขึ้นไปได้ที่ถูกต้องเทโรเวอร์สัญญาเก่ารบล้างสัญญาเก่ารบร้างสัญญาเก่าเอาเลยสัญญาใหม่ใยความจริง เรนสุภาษลบล้างสุภาษลบล้างสุภาษเพราะเราว่างจะมองคนเราชอบดูส่วนที่สวยงามของเขามันก็เลยเกิดการมาราคะขึ้นมาดังนั้ถ้าเราดึกถึงอสุภาขึ้นมาการมาราคก็จะดับไปบถ้าสุภาไม่ขึ้นมันก็ไม่ดับ ก็แสดงว่ามันต้องเป็นการที่เหมือนกับว่าพิปณาแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเร็าจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราตลอดจนกระทั่งมันเหมือนกับเราออโตเมติกเหมือนกับที่เราทําอะไรที่มันออโตเมติกนะครับใช่ครับถ้าเหมือนหมอทํางานผ่าตัดหมอทำนานแล้วไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมถึงเวลาก็เอาเลยทําเลยเป็นขั้นเป็นตอนทำได้อ่าใช่เพรานั้มันก็ทําแบบนั้นโอเค อ่าีท่านหนึ่งทการเอาจารย์ครับพอดีเ อ, อผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเ อ, อปฏิบัติธรรมเท่าไหร่นะฮะพอดีเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติเมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยใช้คําว่าเข้าวัดเนี่ยก็คือเข้าวัด ต, ตามหน้าที่ตามพ่อแม่ตามญาติอะไรพวกนี้ออกเข้าไปทําบุญก็ทําบุญไปอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ศึกษาไ ม, ไม่ได้ศึกษาทท อ, ออกก็ใส่าบาตรก็ใส่ไปอย่างเงี้ยครับ แต่ว่านี่ขอแนวทางว่าโดยปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็จะมีสภาวะอารมณ์ที่เ อ, อต้องบอกว่าเป็นคนมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับก็คือพยายามจะฝึกอยู่นะครับนะฮะว่าเวลาเรามีเรื่องของปัญหาต่างต่างเนี่ยนะครับมันจะมีแนวทางไหมว่าไอ้ตอนเย็นต้องฝึกต้องประมาณเท่าไหร่อย่างไรอย่างเงี้ยต้องฝึกเท่าไหรเ่เลยใช่ครับก็ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับ เหมือนนักมวยซ้อมยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเครับาเราต้องไปใช้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้ของเราคือกิเลสคืออารมณ์ต่างๆของเราถ้าเรามีสติมากเราก็จะควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นไปเป็นพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เวลาจำนวยครพยายามหนึ่งว่าเอาเวลาจากงานอื่นมาทำอันนี้ให้ได้ งานอื่นที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญก็ทิ้งไปเช่นพวกบันเทิงอะไรต่างๆเอาเวลามานั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์ดีกว่าครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับยิงมากยิ่งดีการปฏิบัติทําไม่มีไม่มีความเสียหายไม่มีคาว่ามากเกินไป มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเพื่อฝึกปฏิบัติแล้วมันจะต้องไม่เท่าทันคนนู้นคนนี้อะไรอย่างี้ไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเราเราโู้ทันกิเลสเราเท่านั้นที่เราทำมันไม่้เกี่ยวว่าคนไหนปฏิบัติมานานหรือว่ามามาช้ากว่ากันนี้ไม่เกี่ยวเพรไม่เกี่ยวกันเพราะว่าถ้าเร็วมันมันไม่ได้อยู่ที่นานหรือไม่นานอมันอยู่ที่ถูกหรือไม่ถูกอืถ้าถูกมันก็เร็วครับถ้าไม่ถูกมันก็นานอืมเห็นแต่คนวัดกันไม่ได้อืมแล้อีกอย่างอดีตที่ผ่านมาเขาสะสมมามากน้อยก็ไม่เท่ากันด้วย มองไม่ต้องไปวัดคนอื่นวัดตัวเราเองอ เ, เราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองแข่งกับเวลาที่เรามีอยู่นี้ชีวิตของเราเนี้ยมันมีน้อยลงไปทุกวันทุกวันให้แข่งกับตัวนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นใครมาที่หลังเราแซงหน้าเราก็ถือว่าเขาบา ร, รมีมากกว่าเราอคใคร ใครมาก่อนแล้วแต่เราแซงก็แสดงว่าเขาบาลีน้อยไม่เกี่ยวเรื่องของเวลาใช่ไหมครับไม่เกี่ยวก็เวลาก็สวนไม่เกี่ยวตรงที่ว่าเราเอาใช้เวลาปฏิบัติมากหรอน้อยมีเวลาปฏิบัติมากมันก็มันก็ได้ไปได้เล็วขึ้นครับคุณครับแต่คนมีเวลาแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นพระบางรูปมาบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติอะไรก็มีมีแต่เรียนอย่างเดียวรู้ตำราแต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรเลย ได้แต่ความรู้ทางทางตำราเท่านนงั้นวัดกันไม่ได้นะอย่าไปเทียบกับคนอื่นเทียบกับตัวเราเองขอบคุณหมอกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะของหนูปฏิบัติแบบสบายอยู่เจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าเขาบอกว่ามาชิมมาคือแบบใสก่กลางแต่ละคนมาชิมมาไม่เท่ากันเจ้าค่ะก็เลยไม่เอาไปทางทางทุกทรมานเจ้าค่ ะ, ะกับกายเป็นว่าส ปฏิบัแบบสบายแล้วมันดูจิตมันมันก็ช้ามันเดิมมันไม่ไปเร็วถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องให้มันโหนนิดหน่อยให้มันแบบทรมานตนต้องมีอะไรให้มันทุกข์นิดหน่อยเป็นตัวกระตุ้นเจ้าค่ะเป็นบางคนต้องหดอาหารออาหารแล้วมันมีความหิวมันจะกระตุ้นให้เราทําความเพียรเจ้าค่ะเพราะว่ามันหิวเราอยู่ใเฉยได้ได้ ท, ท, ทำความเพียรทาใจสงบแล้วความหิวมันจะหายไปเจ้าค่ะหนูก็นั่งตอนนี้ก็คือว่าตะกอนเนี่ยปฏิบัติแบบทรมานตนเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันสําหรับหนูหนูว่ามันทรมานตัวเองมากแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากนั่งแล้วมันทรมานมากไปก็เลยใช้วิธีนั่งเบาะนั่งเบาะค่ะแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดไม่วุ่นวายมากก็พุทโธดูลมหายใจ ก็สงบได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าอยากสวดมนต์ก็สวดมนต์เจ้าค่ะแต่จะมีอยู่วันหนึ่งที่สวดไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเลยเจ้าค่ะสวดไปสวดไปอยู่ๆมันก็ก็หายไปเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกตัวตลอดเจ้าค่ะว่าว่าสวดไปแล้วหายไปหายไปสักพักหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหายไปนานแค่ไหนแต่ว่าก็น่าจะประมาณได้ครึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ๆจิตมันก็พุทโธขึ้นมาเอง พุทโธพุทโธพุทได้หายไปใจเราสบายไหละใจสบายแต่ว่าเรารู้รู้อยู่นะเจ้าค่ะสบายก็โอเคไม่เป็นไรถ้ามันสบายมันสงบก็ถือว่าจิตสงบเจ้าค่ะแล้วก็พุทโธขึ้นมาใหม่แล้วพอพุทโธขึ้นมาใหม่หนูจะต้องทํายังไงต่อเจ้าค่ะก็ทําต่อไปถ้าอยากจะให้มันได้อีกรอบนึงไงก็คือพุทโธดูลมหรือว่าให้สวดมนต์เจ้าค่ะแล้วแต่เราเราเลือกได้ แสดว่าหนูสวดมนต์เนี่ยมันก็หายไปเองได้หรือโดยที่หนูไม่ต้องดูจุดเดียวก็ได้จ้าค่ะก็ได้เอาอยู่แค่การสวดมนต์อย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้เวลาสวดมนต์แต่สวดมนต์นี้คือการเป็นการเป็นภาพว<ป>่างเป็นการเจริญสติในรูปแบบหนึ่งดูก็เหมือนกันดูลมก็เหมือนกันยังได้ยังหนึ่งใช้ได้แทนกันได้แต่หลวงพ่อเคยบอกว่าต้องดูจุดเดียวแล้วค่อยเข้าไป ใช่ก็ต้องอยู่กับเรื่องเดียวไงอยู่กับพุโทโธอยู่กับการสวดมนต์แล้วอยู่กับลมอ๋อก็คือสามารถสงบได้เหมือนกั น, น, น, กนแต่ว่ายังไม่ไม่ลึกไม่เรื้อก็จะไม่ลึ ก, ลกถ้าดูจุดเดียวค่อยลึกเข้าไป อ, อ่าถ้าดูลมอย่างเดียวมันจะเข้าไปลึกถ้าพุโทโธอย่างเดียวมันจะลงแบบตรงนุ่มตกบ่อ ก, ก็ได้อ้เพราะไม่แน่แต่ละคนนี้มันพูดยากงั้นไม่ต้องกังวลทําไปก็แล้วกันทําไปแล้วดูผลที่เกิดขึ้น เจ้าค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่กําลังจะนั่งแต่ยังไม่ได้นั่งเจ้าค่ะจิตมันออกจากร่างไปเลยเจ้าค่ะกก่อน็ได้ก็ตกใจแล้วก็ดึงกลับมาใหม่แล้วไม่ควรตกใจคนจะรู้คนจะรู้เฉยๆรู้ตามสภาพความเป็นจริงอเจ้าค่ะอันนี้คือยังไม่ได้นั่งเลยค่ะจิตมันหลุดแล้วเจ้าค่ะมันมืนมันหิวโหยถ้ามีโอกาสให้มันเข้าปั๊บมันก็เข้าเลยโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันก็มี ขอความเมตตาหลวงพ่ออีกอันหนึ่งค่ะ ท, ที่ที่แบบสมัยปัจจุบันที่นั่งนั่งแล้วมันปวดปวดนึกก็พยายามทําตามที่หลวงพ่อแนะนําเจ้าค่ะว่าพหแยกร่างกายออกไปเวทนาแล้วก็จิตเนี่ยก็แยกได้แป๊บหนึ่งก็ปวดอีกแยกได้แป๊บหนึ่งก็ปวดอีกก็แยกบ่อยๆ บอกว่าร่างกายก็เป็นคนหนึ่งเวทนาก็เป็นคนหนึ่งจิตก็เป็นอีกคนหนึ่งมันก็เลยไม่รวมเลยเจ้าค่ะกลายเป็นว่าอ๋ออันนี้ไม่ต้องการให้มันรวนต้องการให้จิตนิ่งให้อยู่กับความเจ็บให้ได้ให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บอ๋อแล้วเราจะใช้ปัญญารวมยังไงเจ้าค่ะไม่รวมอันนี้ปัญญาเป็นการปล่อยวางถ้าปล่อยวาง<อ>าแล้วจิตมันมาสงบก็ถือว่ารวมนะถ้าถ้าถ้าจิตไม่วุ่นวายไปกับร่างกายไม่วุ่นวายกับความเจ็บ อยู่เฉยๆ ต, ตามสภาพของมันได้ก็ถือว่ามันรวมแล้วมันนึ่งแวรวมแล้วแต่ว่ายังไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับเวทนาไม่เดือดร้อนกับร่างกายเราถ้าใช้ปัญญารวมเข้าสู่อปปนาจะต้องทํำยังไงเจ้าคะก็อย่างนี้แหละก็แบบนี้บางทีมันก็รวมแบบเวทนาร่างกายยังอยู่บางทีก็รวมแบบเวทนาร่างกายหายไปเลยก็ได้แล้วแต่ความเจ็บปวดของร่างกายมากน้อยเพียงไร ระดับของความเจ็บปวดนะถ้ามากมันเวลารวมมันก็จะรวมเล็กถ้าน้อยมันก็จะรวมรวมไม่เล็กก็ได้แล้วทุกคนต้องต้องผ่านปัญญาเข้าสู่ความสงบก่อนไหเจ้าคะไม่หมายถึงว่าปัญญานี้ใช้ในการที่เราไม่สามารถใช้สติได้เพื่อรับความฟุง้งซ่านความวุ่นวายใจ<อ>ใช้ปัญญาให้มันทําใจให้สงบก็ได้ถ้าเราใช้ปัญญาเป็น แล้วหนูก็ยังสงสัยสุดท้ายว่าถ้าเราใช้วิปัสสนึกก็คือปัญญานี่แหละแต่นึกเอาก่อนว่าร่างกายเราก็เป็นปฏิกูลเป็นนาสุภาเราก็สลดแบบเออมันก็สงบนะเจ้าคะ่ะแล้วก็มันก็ตัดความเจ็บปวดไปได้กับอีกอันนึงที่จะเกิดวิปัสนาญาเนี่มันจะมันจะแตกต่างกันเจ้าคะ่ะสองอันคือเวลาถ้าเราเกิดการอารมณ์แล้วเราพิจารณา ว่ามันเป็นปฏิกูลว่ามันเป็นอสุภะได้เจ้าค่ะจิตก็จะหยุดกามารมได้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสนาอ๋อโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องเข้าเร า, าพิจารณาวิปัสนาไม่ต้องเข้าสมาธิต้องเห็นความจรงิงอสอนความจริงให้กับจิตให้ใ ห, ให้หายหลงตอนที่เราหลงกับร่างกายว่าสวยว่า ง, งานกอเจ้าค่ะความจริงมา ย, ยืนยันว่ามันไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดจะตายเลยเจ้าค่ะอ พอมันน่าเกลีนิการอารมณ์ก็จะดับไปเจ้าค่ะก็แสดงว่าเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคือคือเราก็ฝึกอันเนี้ยใช้ใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาถ้าใช้เป็นพิชณาทุกอย่างเป็นตายรักไปหมดเจ้าค่ะเพื่อปล่อยวางไม่ต้องมานั่งหลับตาว่าเออไม่นั่งหลับตานี่ทําเพื่อสมาธิมากกว่าทําให้จิตเป็นโอเบคคามากกว่ายกเว้นกรณีเดียวก็คือต้องการผ่านความเจ็บปวดของร่างกายเจ้าค่ะกาจะต้องนั่งให้มันเจ็บ เจ้าค่ะแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกกายแยกจิตแยกเวทนาออกจากกันอ๋อเจ้าค่ะอันนั้นก็จะเป็นวิปัสนาอ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแต่ปัญญาในลักษณะอื่นนี่ไม่ต้องเข้าสมาธิพิจารณาสุภาพได้ทุกเวลาเห็นร่างตายของใครก็เป็นอสุภาพไปหมดเห็นอาหารก็กลายเป็นปฏิกลูไปหมดกลายเป็นขี้ไปหมด <S <S <S หง่ายๆพออยากจะกินนู่นกินนี่คนนึกถึงขี้ึ้นมาไม่อยากจะกิน คืออันนี้ปลามความความอยากกินโดยที่ยังไม่ถึงเวลาเจ้าค่ะอย่าไปทําตอนที่ถึงเวลากินกหมือนเกันถึงเวลาต้องให้อาหารมันก็ต้องให้อาหารเลยเจ้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้เลยแล้ว เ, เดี๋ยวร่างกายก็จะเดือดร้อนเจ้าค่ะแต่ น, นี่หมายถึงกินอีกมืหมๆ่ๆเนื่องจากจะกินขึ้นมาอีกคิวอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้ปฏิกูลเข้ามาแก้อ๋อสรุปแล้วคือเราไม่ต้องพิจารณาปัญญาเข้าสู่อัปนาก็ได้เวลาทําสมาธิไม่พิจารณาเลย ทำสมาธิเพื่อให้มีอุเบกขามีกำลังมากๆให้คุณมีความนิ่งมากมาเพื่อเวลาออกมาจากสมาธิจะได้สนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาต้องการต่อสู้กับความอยากค่ะเรามีอุเบกขาเราก็จะหยุดความอยากได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาก็ทนไม่ไหวบางทีก็นานนนั้นจะเป็นปฏิกูลก็ยาวอะก็มีมันเดือขึ้นมาแล้วค่ะสุดท้าคือหนูอะทําสมถะเข้าสู่ความ สงบอปนาก็ได้ฝึกให้ชํานาญแล้วพอออกมาใช้ชีวิตประจําวันก็วิจารณ์ใจรักไปเรื่อยเจ้าค่ะายรักไม่เที่ยงร่างกายเดีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่พิจารณาได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะกลัวไม่พิจารณาเท่านั้นน่ะเจ้าค่ะกลพิจารณาเรื่องอื่นมากกว่าเจ้าค่ะกระเป๋าสวยไหมรองท้าสวยเจ้าค่ะกราบพระคุณพระอาจารย์นะคะค่ะ เ, เข้ามาเจออยากจะถามมาสการครับอาจารย์เราจะแยกได้ยังไงว่าเป็นปัญญารู้หรือว่าเราคิดไปเองหรือเราหลงในความถ้ า, ด, ถาดับกิเลสได้ก็เป็นปัญญาถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วพิจารณาปล่อยวางได้มันก็หายโกรธก็เป็นปัญญาถ้าพิจารณาแล้วยังไม่หายโกรธอยู่ก็เป็นสัญญายังไม่เป็นปัญญาดูที่มันอามาเหมือนมีดอะ มีดฟันแล้วขาดไม่ขาดถ้าขาดก็เทว่าเป็นมีดถ้าคันแล้วไม่ขาดก็เป็นเป็นท่อนไม้หรือท่อนเหล็กครับต้องไปรับใหม่ต้องไปรับให้มัคนคมปัญญาของเรายังรับไม่พอยังไม่เห็นชัดมันก็ตัดไม่ได้คือบางครั้งเหมือนอย่างเช่นอาบน้ําอยู่หรือล้างจานหรือทํากิจวัตรอะไรก็มักจะดูอริยบทบ้างลมหายใจบ้างแล้วบางทีเหมือนแวบขึ้นมาว่า อ, อ, อ๋อนึกถึงคําสอนเลยนึกถึงอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เช่อ ว, ว่าเราคิดนําไปเองหรือเราไปหลงในความคิดแต่มันจะแวบนิดนึงนะครับแล้วพอหลังจากแวบถ้าเราไปเขาเคลียร์มันมันจะเหมือนแบบไปปรุงแต่งเพิ่มมันจะไม่เหมือนแวบแ ร, รกที่เห็นใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าถูกอะไรหรือจะยังไงเวลาเกิดเกิดบ่อยแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็รู้เฉยๆไปรู้ว่าเวลามีปัญหามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าเป็นเครื่องมือ เป็นเครืมือเวลาเกิดกิเลสเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเรามาใช้ดับความทุกข์ใจได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันมันมันบอกไม่ถูกครับเวลามันแว๊บมันจะมันจิตใไม่ถึงเลยก็ไม่ต้องสนใจมันพอเกิดก็ก็ปล่อยก็อ๋อรู้อ๋อนึกตอนนี้รู้มันเกิดแล้วดับไปแล้วกันสนใจมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ก็ต้องรอไปเหตุการณ์ก่อน มีความทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วดูว่าสิ่งที่เราลึกขึ้นมานี้เอามาใช้ดับความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่าอแต่มันดูมันเหมือนเป็นภาพรวมมากกว่าครับว่าปลายทางสุดท้ายมันมันไม่ทุกข์ใจนานมันไม่ทุกข์ใจมากแต่ไอ้แวบที่เห็นมันเหมือนแว็บมันเหมือนคล้ายๆเข้าใจคล้ายๆตายรัวกว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้อ๋อมันเกิดขึ้นเองอ๋อแบบนี้ที่เองที่เราเคยไปติด มันจะคล้ายๆอย่างเนี้ยครับก็ได้ก็ให้รู้ไปให้รู้ไปครับรู้ <นะ S 1> ไว้เพื่อป้องกันความทุกข์ให้ไม่ให้ความทุกข์เกิดอ <นะ S 1> วามรู้ทั้งหมดมีไว้เพื่อดับความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้ น, นโอเคครับน ะ, นะครับสาธุครับโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วงานนี้ก่อนนะสําหรับวันนี้